แล้วก็ดูว่าเฮ้ยตั้งเสัปดาห์นะพระองค์ไปคิดอะไรของเราดูไปเดินดูแป๊บๆโอ๊ยหมดละไม่เห็นมีอะไรเล ย, ยนะก็มีแต่เนี้ยเนีกองอิดกองทรายเนี่ยตั้งกองกอยู่แค่นี้ท่านอยู่ได้ตั้งเจวันอย่างมีความสุขเนี่ยไปดูที่ของเรานี่อย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะได้เจวันก็ขวนขวายน้อยที่จะไม่แสดงธรรมเท้ามหาพรหมก็มาอาราธนาะ หลังจากที่พรอมอา ร, ราธนาแล้วพระองค์ก็ตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุ น, นะตรวจดูพุทธจักสุชนผู้มีจริตอัธยาศัยเนี่ยนะผู้มีจริตอธิมุตอัธยาศัยผู้ที่มีกิเลสดุจทุลีในดวงตาน้อยผู้นี้ที่มีกิเลสดุจทุลีในดวงตามากผู้มีอาการดีผู้มีอาการชั่วผู้ให้ตรัสรู้ได้ง่ายผู้ให้ตรัสรู้ได้ยาก ผู้เห็นโทษและปรโลกโดยความเป็นไทยเนี่ยนะเปรียบเหมือนอะไรเหมือนดูดอกบัวนะเหมือนดูดอกบัวในกอปทุมเหมงอนกันกอปทุมกอบุญทริกก็คือกอบัวนั่นแหละก็เห็นดอกบัวบัวที่บัวใต้น้ําบัวปริ่มน้ําบัวโผล่พ้นน้ำนะนะพวกบัวใต้โคลนไม่พูดนะนะเอาแต่พอเฉพาะพวกบัวบเหล่าพอที่จะบานได้พผมก็ตรวจดูโลกด้วยผู้แต่จักษุก็มองเห็นผู้ที่พอจะตรัสรู้ได้ เพื่อจะทรงแสดงทำให้แก่ชนสามโกดซึ่งบวชกับพระองค์เนี่ยนะไอ้ท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ชายนะลุงเริงเราไม่เข้าจํานวนนั้นเลยนะหลุดมาได้ยังไงไม่ทราบแสดงว่าตัวนิดมากเลยนะตะข่ายยังไงมาร่อนแล้วก็ยังหลุดไปอี ก, ก น, นะชนทั้งสามโกธที่บวชพร้อมกับพระองค์ก็เป็นพูดถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยก็คนมีบุญเนี่ยนะมีบุญมีอัธยาศัยมีอุปนิสัย ไปแข่งอะไรแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งไม่ได้เพราะตอนนั้นเราลืมบุญเนี่ยนะก็เลยไม่ได้ทําบุญก็เลยไม่มีอุปนิสัยพอที่จะได้เห็นอริยสัตว์พระองค์ก็เลยมองไม่เห็นตรวจไม่เจอนะในที่สุดพระองค์ก็ไข่ครควญว่าเดี๋ยวนี้ชนเหล่านั้นอยู่ที่ไหนอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาว่าพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์นั้นอ่ะจะต้องอยู่วิเวกเงียบคนเดียวจึงจะได้ตรัสรู้เมื่อตรัสรู้แล้วจะต้องอยู่วิเวกอีก7จสัปดาห์อันนี้ปกติของพระพุทธเจ้าเหล่านั้น เพราะฉะนั้นก็พวกอุปถาคที่บวชติดตามมาสามโกธนั้นก็หายงเงียบไปหมดอะพระองค์ก็เห็นว่าชนเหล่านั้นอยู่ณสุธรรมราอุทยานกรุงสุภาพวดีพระองค์ก็เสด็จไปทางอากาศลงที่สุธรรมราอุทยานพระองค์อันชนเหล่านั้นเวทล้อมแล้วทรงประกาศพระธรรมจกักรท่ามกลางบริษัททั้งเทวดาและมนุษย์ณที่นั้นอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมได้มีแกสัตว์ร้อยโกดเนี่ยนะ ท่านพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าให้ภาษาาริบทฟังว่าพระอนุมัติสีพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีธรรมมาพิสมัยสําเสร็จจําเริญไปทั้งนั้นพระองค์ทรงสแสดงอริยสัจธรรมครั้งที่หนึ่งมีผู้ตรัสรู้ธรรมประมาณร้อยโกดนะกำหนดรู้ทุกละสมูทไถยธรรมนิโรธให้แจ้งหรือถ้าเรียกแบบพูดแบบย่นย่อพระองค์ก็ตรัสรู้ว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันธ์ทางนิโรตธรรมังะนะ ตรัสรู้ว่ากองทุกข์คือขันห้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งเกิดขึ้นกองทุกข์เหล่านั้นก็ล้วนแต่มีสมุทัยสร้างขึ้นเป็นธรรมดาเนี่ยนะสมุทยะธรรมมังสมุทัยคือตันหาอาวิชชากรรมเป็นต้นสร้างขึ้นสัพพันธังนิโรธธรรมมังท่าเจริญอริยมรตตรัสรู้นิโรธเนี่ยนะทำเป็นที่ดับกองทุกข์ผู้ที่เห็นอริยสัจนั้นก็คือเห็นความเกิดของทุกข์กับเห็นความ ดับของทุกขคำว่าเกิดหมายถึงสมุทัยคำว่าดับหมายถึงพระนิพานเนี่ยนะทนก็มีผู้ที่ละสมุทัยตรัสรู้พระนิพานด้วยอริยมรรคเนี่ยนะต่อมาภายหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทายมะกะปาฏิหานะโคนต้นประดู่ใกล้ประตูโอสถีนครประทับนั่งเหนือแท่นบรรดุกรรมพลศิลาอาจนะพบดาววดึงซึ่งพวกอสูรครอบงาได้ยาก คือดาวดึงเนี่ยนะจริงๆแล้วอดีตเป็นเมืองของพวกอาูนแต่พวกขี้เมาเนี่ยนะท้าสากะมีบุญเกิดขึ้นก็เลยจับโยนพวกอาูนไปลงโน่นนะที่ไหนเมืองอาูนพิภพอยู่เทเลโน่นนะเพราะฉะนั้นตอนหลังอาูนเขาคิดถึงต้นนะต้นปาตาลีเนี่ยนะต้นแครฟอยเนี่ยอยากจะกลับไปดาวดึงไปเขาสู้รบเทวดาไม่ได้ก็ลงกลับไปอยู่เมืองอาูนตามเดิม ตอนที่พระองค์นั้นประทับอยู่ที่บรรดุกัมพลศิลาอาจนาะสวรรคชั้นดาวเดืงพระองค์ก็ทําฝนฝนคืออภิธรรมติดอกให้ตกลงตลอดสามเดือนอ น, นะคือเสียงของพระองค์ไม่ได้พักเวน้นแต่พักหายใจแค่นั้นเองถามว่าเอาตอนฉันนะ่ะพระองค์ก็เนรมิตรพระพุทธเนรมิตรขึ้นแสดงแทนพันเสียงประกาศธรรมจากพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเหมือนเช่นกับฝนตกคิดดูเหมือนฝนยังไงเราพูดหนึ่งคำพระนร พูดได้8คําพระนรนพูดได้หนึ่งคำพระพุทธเจ้าพูดได้สิบหกคำเพราะนั้นหนึ่งคำของพวกเราพระพุทธเจ้าตรัสได้เป็นร้อยคาแล้วพูดไม่หยุดเนี่ยนะอภิธรรมจะมากขนาดไหนอภิธรรมปีดกนะถ้าไม่พิมพ์เปยละจุดจุดจุดเ้ารอเก้าถ้าไม่มีอย่างนี้นะเว้ยเยอะกันนี้เยอะแล้วแต่ที่เราเห็นเห็นเนี่ยแบบย่อแบบสังเขปไม่ใช่ปานแบบขออภยัยไม่ใช่แบบปานกลางถ้าแบบพิสดารที่ดาวดึงแล้วก็ ต้องทําบุญให้นั่งฟังทำอย่างเดียวไม่มีนิวรณ์แทรกสมเดือนนะ่ะนะต้องฟังทำให้ได้อย่างนั้นนะั่นแหละแทรกสมเดือนนะ่ะไม่มีอกุศลจิตเข้าแทรกสมเดือนนะั่นแหละโอ้โจบนี่บรรลุเลยนะทำบุญยังไงมานาะจะนั่งฟังทำอภิธรรมปิดอกอย่างเดียวเนี่ยนะจิตมีแต่พุทธพจน์เนี่ยนะสมเดือนเต็มเต็มแต่จริงๆนะท่านสามเดือนของดาวบรนึดงเท่ากับฟังทำไม่กระพริบตาสมชั่วโมงแค่นั้นนะถ้าเทียบกับอายุของดาวประเดิงอะนะ ถ้าก็ฟังทำติติดกันแค่สามชั่วโมงอะนะเพราะเทวดานี่เขาบอกว่าชาวนะเร็วมากวังท่านน้อยรูปกว่ามีความสุขเทวดาไม่ป่วยใช่ไหมเทวดานี่กล่มพวกไม่ตายเนี่ยนะไม่มีเจ็บไม่มีปวดไม่มีเมื่อยไม่มีหิวไม่มีกระหายสุขภาพดีเยี่ยมหมดเลยอะนะไม่รู้ทราบว่าท่านง่วงหรือเปล่าไม่ทราบะนะถ้า ง, ง่วงก็จบเลยนะยิ่งก็ยังอื่นทั้งหมดเลยอะอะไรจะหนักหนาะเขาบอกว่าเจ็บปวดเมื่อยยังดีกว่าหลับนะหลับตื่นก็เอ๊ะเขพูดอะไรกันว้างอะนะ หลับนี่จบเพรเลยกันแน่หลังจากที่พระองค์ประทับที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแสดงอภิธรรมนั้นมีผู้บรรลุแปดบโกธเนี่ยนะบรรลุทำแปดสิบโกดยมโตไม่อยู่ที่นั่นเลยดูดิเนี่ยนกะ็ั้งเยอะแยะเลยเพราะเหตุนั้นพระองค์ตรัสว่าเมื่อพระพระอนุมาทศีพุทธเจ้าทรงหลังฝนคือทำตกลงในสมัยนั้นมีผู้ตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะประมาณ โดยเฉพาะเทวดานี่80โกด ต, ตรัสรู้จึงฟังธรรมตอนเป็นเทวดานี่มีความสุขที่สุดเมื่อยก็ไม่เมื่อยการเดินทางก็สะดวกสบายอะไรก็ดีไปหมดเลยนะปัญหาว่ามันจะอยู่ได้นานหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง น, นะบอกว่าไปอยู่ในสวรรค์เหมือนกันนะนะพระพุทธเจ้าจะก่อนจะมาตรัสรูุหมดบุญจากสวรรค์อย่างนี้เลยอบเลยนะศึกษาให้มันดีๆนะไม่ใช่ว่าโอ้ยฝันล ม, ล ม, ลมลๆแรงๆไปเรื่อยๆต้องศึกษาเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องบุญเรื่องบาปให้เพียงพอแล้วเราจะเข้าใจอะไรเลยล่ะอย่าง แต่ถ้าตอนถ้าทําบุญไว้เต็มสมบูรณ์แล้วไม่น่าเป็นห่วงอะไรบทว่าวัดสันเตนเนี่ยนะฝนมหาเมฆคือพระพุทธเจ้าหลังฝนหลังฝนคือการประกาศอริยสัจจะธรรมอย่างที่เนติปกรณ์กล่าวไว้ว่าหรือในอพระสูตรกล่าวไว้ว่าบทพยัญชนะอักขระนิรุติไม่มีประมาณในการประกาศว่า นี้ทุกเนี่ยนะบทอักขระเป็นต้นเนี่ยนะพวกอักขระพยัญชนะนิรุตเนี่ยแสดงหลังไหลไม่มีประมาณเพื่อให้รู้วันนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขะนิโรธถาขามินีปฏิปทาใช้พยัญชนะมากเพื่อให้ให้รู้ให้เห็นอริยสัจเนี่ยน ะ, ะบางคนเขบอกโหพระไตยปิดกมากขนาดนี้เนี่ยนะใครจะไปอ่านจบที่จริงอ่ะถ้าเราอย่าไปคิดอะไรมากอ่านทุกสูตรก็อ่านอริยสัจนั่นแหละจะมากยังไงก็อ่านเรื่องเดียวเรื่อง อริยสัจเรื่องวิธีกําหนดรู้ทุกขละสมุ ท, ทัยทำนิโรธให้แจ้งวิธีเจริญอริยมรรคแค่นั้นแหลไม่มากมายซับซ้อนอะไรหรอกเนี่ยนะแต่ว่าเราไปทำทำเป็นสับสนเองก็เลยยากปัญหาว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าอู้ยากยากเนี่ยนะไอ้ที่เขาว่ายากเนี่ยเขาจะได้มีเหตุผลอันชอบทำที่เขาไม่อ่านเนี่ยเพราะมีเหตุผลก็คือมันยากเขาเลยไม่อ่านเนี่ยนะคือที่เขาบอกว่าพระไตรปิฎกยากยาก ก็เพราะว่าเขาถ้าเขาไม่อ่านเขาก็ไม่มีความผิดก็เพราะมันของยากงั้นเพราะฉะนั้นอยู่สบายสบายอ่านหนังสือพิมพ์บ้างหรืจะเป็นไรไปเพราะฉะนั้นอันนั้นมันไม่ยากไม่เหมือนพระไตรปิฎกเงี้ยก็เลยบอกว่าพระไตรปิฎกอ่านยากที่ไหนได้มันไม่อยากอ่านอยู่แล้วล่ะใจนะใจไม่ค่อยจะเอาอยู่แล้วล่ะก็เลยหาเหตุผลว่าเออจะอธิบายยังไงนะสรุปว่ายังไม่พร้อมจะอ่านยังไม่อยากจะอ่านก็เลยบอกเออมันยากนี่แหละพอจะฟังขึ้นทุกคนเห็นด้วยหมดเลยนะคนพวกเดียวกันเห็นด้วยหมดเลยเออใช่พระไตรปิฎกยาก พวกที่อะไรพวกที่อยากอยู่เหมือนเดิมเนี่ยนะต่อไปแต่ถ้าคนที่เขาอ่านอยู่แล้วก็อบอกเอ๊ยก็รู้เรื่องดีนะอ่านสนุกกว่าหนังสือพิมพ์เยอะเนี่ยนะรู้อย่างนี้อ่านมาตั้งนานแล้วของมันแต่คนบางคนเนี่ยมันกรรมอะไรมาก็ไม่ทราบไปจับอา่านอ่านไปจับเอาชนิดที่เรียกว่าตัวเองก็อ่านไม่รู้ท่านว่าอะไรก็ไม่รู้สกดยังไม่ค่อยจะถูกนะก็ไปหานในเล่มที่ตัวเองอ่านไม่รู้เรื่องก็เล่มที่พออา่านรู้เรื่องก็มีทั้งเยอะแยะแต่ไม่เปิดนะกรรมอะไรพามาก็ไม่ทราบ ม, มีโยมคนหนึ่งเหมือนกันเขามานั่งฟังธรรมไม่ใช่ที่นี่หรอกที่อื่นเขาจะมามาฟังธรรมะค่อนข้างบ่อยพอสมควรนะปกติเราก็คุยพูดเรื่องไม่ยากอะไรก็ เ, เรื่องทั่ ว, วไปที่มันพอรู้เรื่องได้เขาจะมาเฉพาะวันที่เราพูดปัดจจัยเท่านั้นนะมาเฉพาะวันพูดโอโ้เหตุ 6, อารมณ์หพวกอะไรที่มันตัดฐานเลยนะประเภทนั้นแหละ ก็เลยเลิกฟังธรรมเลยกันนี้ยากยากจริงๆว่าไงไอพ่อที่แบบเรื่องทั่วๆไปที่เรื่องมงคลเรื่องบุญเรื่องบาเรื่องดีเรื่องชั่ววันนั้นมีทุระหมดเลยเนี่ยนะมาไม่ได้ก็คือเอาจนได้ต้องเลิกศึกษาพระธรรมนะโอ้ยไม่รู้เวรกรรมอะไรมาไม่ทราบซาเพสัตานะะเวลาโหนตุอยู่เป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวร่าได้เบียดเบียนแก่กันและกันเลยอย่างงั้นต่อไปหลังจากนั้นนะนะพระองค์ลงจากดาวดึงแล้วเป็นยังไงต่อ สมัยต่อจากนั้นสัตว์ทั้งหลายประมาณ78ดโกด ต, ตรัสรุในการแสดงมงคลปัญหาเออพันขยันสวดมงคลเอาไว้เยอะๆนะมงคลนี่ดีนี่เขาลุบรรลุกันตั้งเท่าไหร่เนี่ยเจดดโกดเนี่ยนะขออภัยเออใช่เจ็บโกดมันเขาตรัสรุเพราะอาศัยมงคลนะอาเสวนาจะพาลานางปันตินันจะเสวนาเนี่ยนะคือเขาเห็นอริยสัจเพราะฟังมงคลเลยนะคือคือ ที่เขาฟังเห็นฟังแล้วเห็นอริยสัจเนี่ยเพราะเขามองเห็นมงคลในชีวิตเป็นจริงเนี่ยนะไม่ใช่ฟังมงคลในแง่พยัญชนะหรืออักขระแต่เขามองเห็นโลกของมงคลในชีวิตตามเป็นจริงนั้นเขาจึงตรัสรู้อริยสัจได้กล่าวว่าเมื่อพระอนมุมธสิสีพุทธเจ้าทรงหลังฝนคืออมตะธรรมเนี่ยนะหรืออริยสัจธรรม ต่อจากนั้นสัตว์ทั้งหลายยังสัตว์ทั้งหลายให้เอิบอิ่มให้ปีติในธรรมเนี่ยนะก็มีการตรัสรู้ประมาณ78โกดให้เขาเอบอิ่มด้วยน้ำฝนให้เยือกเย็นด้วยน้ำฝนคือธรรมเทศนาตรัสรู้พันิพา พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอโนมะทศีมีสาวกสันิบาตการประชุมอรหันตสาวกสามครั้งครั้งนั้นพระองค์ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงท่ามกลางพระอรหันตแปดแสนทซึ่งมีจิตเลื่อมใสในธรรมะที่ทรงแสดงโปรดพระเจ้าอิสิทะตะนะกรุงโสรยะแล้วบวช ด, ด้วยเอหิพิขุบันปชาในเมื่อทรงแสดงคำโปรดพระสนิน ท, นทะเนี่ยนะพระสนรินทะ กรุงตราทวดีนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่สองทรงยกปาติโมกขึ้นแสดงข้ามกลางผ้ารัานห์หกแสนผู้บวช ด, ด้วยเอหิพิขุบันประชาพร้อมกับพระเจ้าโสระยะนครกรุงโสระยะนครอีกนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่สเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสเล่าเป็นคาถาให้พระสารีบุตรฟังว่าพระอโนมัทถสีพุทธเจ้า ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นทรงมีสันนิบาตการประชุมพระอาหารหันตสาวกผู้ถึงกําลังแห่งอภิญญาผู้บานแล้วด้วยวิมุติคืออรหัตผลครั้งนั้นประชุมพระอาหารหันตแ 0,000 นผู้ละความเมาละโมหะเป็นผู้มีจิตสงบคงที่ครั้งที่สองประชุมพระอาหารหันตเจ 0,000 นผู้ไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสดังธุลีผู้สงบคงที่ครั้งที่สประชุมพระอาหารหันตห 0,000 ผู้ถึงกําลังแห่งอภินญาผู้เย็นและผู้มีตบะพูดถึงพระโพธิสัตว์ของเราว่าพระโพธิสัตว์ของเรานั้นเป็นเสนาบดียักษ์ผู้มีศักดิ์ใหญ่ตนหนึ่งมีฤทธานุภาพมากเป็นอธิบดีของยักษ์หลายแสนโกดปกติแล้วเทา้าเท้าที่เป็นยักษ์คืออะไรเท้าเวสวร์ใช่ไหมเท้าเวสวร์ผู้เป็นยักษ์เนี่ยนะมีเสนาบดียักษ์ ยักษ์ผู้ใหญ่อยู่ประมาณ28ท่านพระโพธิสัตว์ของเราก็หนึ่งใน28ยักษ์ผู้ใหญ่เนี่ยนะยักษ์หัวหน้ายักษ์ที่มีบริวารเยอะมากพระโพธิสัตว์นั้นสดับว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกก็มาเนรมิตรมนต์ดบสำเร็จด้วยรัตนะงามหน้าดูอย่างยิ่งเหมือนวงดวงจันทร์งามหนักหนายักษ์นี่อยากจะทําบุญทำยังไงอ่ะสร้างเมืองขึ้นมาเลยสร้างเนรมิตรเมืองขึ้นมานีมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันถวายมหาทาน แด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานณมนดบนั้นเจ็ดวันในเวลาอนุโมทนาพัตฒทานเนี่ยนะก็คืออนุโมทนาทานว่าด้วยการให้ข้าวของยักษ์นะั้นน่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็พยากรณ์ว่าในอนาค ต, ตการเมื่อล่วงไปอีกหนึ่งอสงไขยกําไรแสนกับยักษ์ผู้นี้จกเป็นพระพุทธเจ้าพระนามวาโคตมะ ด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสว่าสมัยนั้นเราเป็นยักษ์มีฤทธิ์มากเป็นใหญ่มีอำนาจเหนือยักษ์หลายโกฎแม้ครั้งนั้นเราก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นเลี้ยงดูพระผู้นำโลกพร้อมทั้งพระสาวกให้อิ่มนำ้สำสําราญด้วยข้าวน้ำเพราะว่าบางคนก็นิยมทำบุญด้วยผ้าบางท่านก็ด้วยข้าวด้วยน้ำด้วยดอกไม้ด้วยของหอมก็สุดแท้แต่ว่าใจเลื่อมใสกับสิ่งใดก็น้อมเอา วัตถุเหล่านั้นเหล่านั้นไปบูชาเนี่ยนะครั้งนั้นพระมุนีผู้มีพระจักษุบริสุทธิ์แม้พระองค์นั้นก็พยากณรเราว่ายักษ์ท่านผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าในกับที่หาประมาณไม่ได้นับแต่กับนี้คืออีกหนึ่งอสงไขยแสนกับเราฟังพระดำรัสของพระองค์แล้วก็ร่าเริงแล้วก็สลดใจอธิษฐานข้อวัดอย่างยิ่งยวดขึ้นไปเพื่อ บำเพ็ญบารมีสร้างความเป็นพระพุทธเจ้าให้สําเร็จเนี่ยนะอุตเริงวัตมิทสิงเนี่ยนะความว่าเราได้กระทําความยากนั้นให้มั่นคงยิ่งขึ้นคือการสร้างบารมีเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากอยู่แล้วก็อธิษฐานรวบรัดให้แน่นให้มั่นคงยิ่งขึ้นเพื่อทําบารมีให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์พูดถึงประวัติของพระพุทธเจ้าพระนาวะนมว่าอนุมัตสีเพิ่มอีกว่า พระองค์นั้นมีพระนครเมืองเกิดชื่อว่าจันทวดีพระพุทธบิดาชื่อว่าพระเจ้ายศวาพระชนนีพระนาว่ายโสธราคู่อักขระสาวกชื่อว่านิสพะและอนโนมะอุปถาชื่อว่าพระวรุณะคู่พระอักระสาวิกาชื่อว่าสุนทรีและสุมนา พลึกต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าชื่อว่าอัจชุนะต้นกลุ่มพระเสริระสูงห้าสิบปดสอพระชนมายุแสนปีมีอัครมหสีชื่อว่าพระนางเสริมาพระโอรสชื่อว่าอุปวานะครองคารวาสวิสัยอยู่หนึ่งมืนปีเสด็จพิเนสอิเนสกรมบวชออกบวช ด, ด้วยยานคือวอส่วนการสเสด็จไปเพิ่ทราบตามนัยที่กล่าวแล้วเนี่ยนะอ่ะ ในยุคนั้นยุคของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมะทะัทถสีมนุษย์มีอายุแสนปีพระองค์เมื่อมีพระชนยืนประมาณแสนปีถึงเพียงนั้นจึงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอะสงสารป่าพฤษคือทรรมวินัยอันพรอาอรหันทั้งหลายผู้คงที่ปราศจากราคะไร้มนทินทำให้บานดีแล้วศาสนาของพระชินะพุทธเจ้าจึงงดงามพระศาสดาผู้มีพระยศหาประมาณไม่ได้นั้นด้วย ผู้อักขระสาวกผู้มีคุณที่วัดไม่ได้เหล่านั้นด้วยผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่เหล่านั้นทั้งนั้นก็อันตรทานไปสิ้นสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้คอยดูเธอพวกเรานะอีกสามรอปีเราจะเป็นยังไงกันที่ตรงนี้จะเป็นยังไงนะอีก300รอยปีเงี้ยนะอีกห้าร้อยปีจะเป็นยังไงนะเลนของเลนของเลนของเลนจะได้ยินชื่อเราบ้างไม่น้อยอย่างเ้ยนะเขาไม่รู้หรอของเรานี่ ยายทวดทวดของทวดของทวดนี่เราจําได้กี่รุ่นหรอกยากเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะเดี๋ยวก็เลนของเราก็จําชื่อเราไม่ค่อยได้แล้วต่อไปสังขารทั้งหลายก็ว่างเปล่าอย่างนี้แล้วอย่าไปคิดว่าแน่อะไรมากมายเดี๋ยวก็โบกมืออําลาโลกนี้ไปแล้วเนี่ยนะพูดถึงพระรัศมีออกจากพระสรีระของพระองค์เนี่ยแผ่เนื้อที่ประมาณสิสองโยต์อยู่เป็นนิดเนี่ยรัศมีแผ่ออกเป็นร่วมสองรกิโลเนี่นะ พระองค์บอทว่าสับพังตมันตระหิตังด้วยประการดังกล่าวพระพุทธเจ้าก็เข้าสู่ปากอนิจจลักษณะแล้วก็หายสิ้นไปจักสุที่ปกติมีดวงตามองเห็นเป็นโยนจักสุอ น, นั้นก็ไม่เที่ยงหนาะโสตะก็ไม่เที่ยงคานะชิวหากายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นเหล่านั้นก็อันตรทานหมดสิ้น เมื่อรูปไม่เที่ยงเวทนาก็เป็นอันดับเมื่อเวทนาดับสัญญาสังขารและวิญญาณก็เป็นอันดับไปเพราะดับเหตุของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสร็จสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นณนุริตตกะเมวสังขาราสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้พูดถึงประวัติของพระอาัคารส า, าวกของเราคือพระสารีบุตรผู้มีปัญญา ม, มาก พูดถึงฝั่งบารมีด้วยปัญญาพระโมคคัลลานะพูดถึงฝั่งบารมีด้วยสมาธิก็ทำปณิธานตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นอัครสาวกในสำนักของพระพุทธเจ้า พ, พระนามว่าอนมมัศิสีพระองค์นี้เหมือนกันซึ่งเรื่องก็จะกล่าวไว้ในเทรคาาอขอัยในอัปทานเนี่ยนะซึ่งเดี๋ยวจะเอาอัอปทานประวัติของพระสารีบุตรมาว่าให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวพักก่อนกันลกัน